คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นํามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตของตอนเองธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ตามหลักของความเป็นจริงเป็นเรื่องของเหตุและเรื่องของผลเรื่องของเหตุก็คือการกระทําต่างๆ ที่มีทั้งการกระทาที่ดีและมีการกระทาที่ไม่ดีและผลที่เกิดจากการกระทาต่างๆก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสุขที่เป็นความเจริญและส่วนที่เป็นความทุกข์และเป็นความเสื่อมเสียหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักของเหตุและผลถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนี้ทำอย่างนั้นก็จะได้อย่างนั้นเช่นทำไมคนเราที่มาเกิดในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนเกิดมาแล้วก็รวยบางคนก็เกิดมาแล้วก็จนบางคนมีคนรักมาก บางคนมีคนเกลียดมากบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดบางคนมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงาม รูปพรร์ไม่ผ่องใสบางคนก็มีอาการครบสามสิบสองมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีอาการไม่ครบสามสิบสองพิคคนพิการสุขภาพไม่แข็งแรงอายุไม่ยืนยาวนานนี่คือความแตกตา่าง ของคนเราที่มาเกิดกันในโลกนี้เพราะเหตุที่ทําให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้มีความแตกต่างกันก็คือการกระทําที่ผ่านมาในอดีตชาติในอดีตชาติเราอา จ, จะเคยทําอะไรต่างๆมามากมายแต่เราไม่สามารถที่จะไป นำลึกนึกถึงได้เพราะว่าเราก็ทำอะไรมามากมายแล้วก็ระยะเวลามันก็ผ่านมาเป็นเวลาระยะเวลาอันยาวนาน<ม>เราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเราถึงเป็นเนี้ยเราถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไร<ม>พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถ ที่จะระลึกถึงอดีตต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทรงระลึกถึงการกระทําต่างๆที่ได้เคยทำเอาไว้ที่เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นอะไรต่างๆที่เห็นคนที่มาเกิดในเร่องนี้มีความแตกต่างกัน เหตุที่ทําให้พวกเราที่มาเกิดในโลกนี้มีความแตกต่างกันก็คือบุญบา ร, รมีนี่เองบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมได้ทรงสร้างและหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุปเรื่องบุญบา ร, รมีเหล่านี้และผลของบุญบา ร, รมีแล้วก็ได้นําเอา มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะสามารถจะได้สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการผลของบุญบา ร, รมีต่างๆเราได้อย่างไรบ้างบุญบา ร, รมีนี้ก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็คือเมตตาบา ร, รมีความมีไมตรีจิต ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข้อที่สองก็คือทานบารมีการทำบุญให้ทานการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ทำบุญทำทานเรียกว่าทานบารมี <c oughs> ข้อสามก็คือศีลบารมี <c oughs> การไม่เบียดเบียนไม่ไม่กระทำบาป ท, ทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเทนีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆอันนี้คือศีลบารมี <c oughs> ข้อที่สี่ก็คือ ได้ข ม, มาบาลมีการอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อเห่เมไม่หลงหลายข้างไครไปกับความสุขทางกามารมณ์คือทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับความสงบที่เป็นความสุขของใจ อันนี้เรียกว่าเนคขมมะบารมีคือการไปอยู่แบบนักบวชนี่เองผู้ใดที่มาเกิดแล้วไปบวชกันนี่ก็เพราะว่าในอดีตชาติเคยสร้างเนคขมมะบารมีมาคือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย้าชาติก่อนเคยเป็นนักบวช ชาตินี้มาเกิดมาก็กมักจะไปเป็นนักบวชต่อไป <c oughs> นี่เรียกว่าเนคขมะมบรารมีบรารมีข้อต่อมาก็คืออุเบขาบร า, ารมีการที่มีจิตใจที่วางเฉย <c oughs> ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสที่มากระทบกับจิตใจ จิตใจจะวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆเรียกว่าอุเบกขาบารมีแล้วก็บารมีข้อต่อมา ก, ก็คือปัญญาบารมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองความรู้เหตุรู้ผลรู้กฎของธรรมชาติเช่นกฎของตายรักกฎแห่งกรรม นี่เรียกว่าปัญญาบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีก็คือมีความตั้งใจความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายของชีวิตว่า ชีวิตนี้จะทำอะไรบ้างจะไปเป็นหมอจะไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารไปเป็นเศรษฐีหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็จะได้ดำเนินเหตุที่จะทำให้ได้ผลตามมา เีอยากจะเรียนอยากจะเป็นหมอก็ต้องใจตั้งใจเรียนหนังสือเรียนหนังสือให้เก่งๆทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการร่ำเรียนคนเราจะเป็นอะไรขึ้นมาได้นี้ต้องมีอธิษฐานคือเป้าหมายของชีวิตการตั้งเป้าหมายของชีวิตอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นคำขอขอให้เป็นหมอ สมขอให้เป็นหมอแต่ไม่ไปเรียนหนังสือ<ม>ขอไปจนวันตายก็เป็นหมอไปไม่ได้<ม>ถ้าอยากจะเป็นหมอถ้ามีเป้าหมายว่าต้องการจะเป็นหมอก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเรียนหนังสือเพื<ม>่อให้เรียนให้จบปริญญา <c oughs> ได้รับวิชาชีพของหมอมอันนี้คือความตั้งใจหรืออธิษฐาน <c oughs> แล้วก็บารมีต่อมาก็คือสัจจะบารมีคือมีความแน่วแน่จริงจังจริงใจกับการกับการที่กับการตั้งใจกับการอธิษฐานอธิษฐานจะทำอะไรก็ไม่เปลี่ยนใจแน่วแน่ถึงแม้ว่าจะไปประสบกับความยากลำบากมีอุปสรรคต่างๆที่คอยขวางกันก็จะไม่ย่อถอย จะเสริมด้วยวิริยะบารมีคือความเพียรพยายามยากง่ายอย่างไร<ม>ก็าจะเพียรพยายามทำเหตุที่จะทาให้เกิดผลที่ต้องการตามมาบารมีข้อสุดท้ายก็คือขันติบารมีมความอดทนมมมไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ดีนี้มักจะมีอุปสรรคขวางกัน้นมีความยากลาบาก ถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นก็จะสู้กับความทุกข์ยากลาบากไม่ได้ก็จะไม่สามารถทำอะไรให้เกิดความสำเร็จได้นี่คือบา ร, รมีต่างๆที่พวกเราในอดีตชาติอาจจะเคยได้สร้างมากันบ้างไม่มากก็น้อยและการสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันมากน้อย จึงทำให้พวกเรามาเกิดเป็นคนที่มีความแตกต่างกันถ้าเราอยากที่จะให้เราเป็นคนที่มีแต่ความเฉลียวฉลาดมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเป็นแบบพระพุทธเจ้าหรือเป็นแบบพระหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จาเป็นที่จะต้องมา สร้างบารมีต่างๆเริ่มต้นด้วยการสร้างเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี้คือความมีไมตรีจิตมีความเป็นมิตรต่อผู้อื่นคือมองทุกคนว่าเป็นมิตร เ, เ, เป็นเหมือนเพื่อนกันเมื่อให้ความเป็นมิตรให้ความเป็นเพื่อน ก็จะมีการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพราะเราเห็นว่าผู้อื่นเป็นมิตรกับเราเราต้องการให้เขามีความสุขเราก็จะทำสิ่งต่างๆด้วยความเมตตา<ม>การเจริญเมตตาสร้างเมตตาขึ้นมานี้ต้อง<ม>เจริญด้วยการกระทำ ไม่ไม่ไม่ไม่ได้สร้างไม่ได้เจริญด้วยการสวดบทแผ่เมตตาเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี้เรายังไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครเลยเป็นเพียงแต่การสวด<ม>การสวดบทแผ่เมตตานี้ก็มีประโยชน์อยู่สองลักษณะด้วยกัน คือเป็นวิธีฝึกสติฝึกสมาธิถ้าเราส ว, วดบวชแผ่เมตตาไปเรื่อยๆสวดหลายๆรอบเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆใจเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบสงบเต็มร้อยแต่การช่วยบรรเทาความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ ที่ทำให้เราเครียดที่ทำให้เราวิตกกังวลนั้นหายไปได้ทำให้ใจเย็นลงทำให้ใจสบายขึ้นบทแผ่บทสวแผ่เมตตาเป็นอุบายของการฝึกสติของการนั่งสมาธิไม่ได้เป็นการไปแผ่เมตตาให้กับใครลักษณะที่สองของการสวดบทแผ่เมตตา ก็คือให้เราเรียนรู้ว่าการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่อย่างไรบ้าง<ม>การที่เราจะมีเมตตาในใจขึ้นมาเราจะต้องทำอะไรบ้าง<ม>าเวลาเราสวดสัพเพสัตตา<ม>คาว่าสัพเพสัตตาก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง<ม><ม>ที่เราจะให้ความเมตตา<ม> วิธีให้ความเมตตาข้อที่หนึ่งก็คืออาเวลาโหนตุ mm hmm. เราจะไม่มีเวณีกรรมกับใคร mm hmm. ไม่จองเวณจองกรรมเราจะให้อภัย mm hmm. ใครก็ตามที่ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียหายทําให้เราเดือดร้อน mm hmm. เราจะไม่เอาโทษ mm hmm. เอาผิดกับเขา เราจะให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันอันนี้ต้องทําในขณะที่เวลาเกิดเหตุการณ์เช่นเราไปพบปะกันไปทําอะไรกันแล้วก็อาจจะมีการกระทําที่เกิดความเสียหายให้ให้ต่อกันและกันแทนที่เราจะมาเอาเรื่องเอาเรามาจองเวรจองกรรมเราก็จะให้อภัยกัน เวลาฝนตุเพราะการให้อภัยนี้จะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายการจองเวรจองกรรมจะทำให้ใจเราวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไปเรื่อยๆถ้าเขาทำร้ายเราเรากลับไปทำร้ายเขา เดี๋ยวเขาก็กลับมาทำร้ายเราอีกเขาด่าเราเราก็ไปตีเขา<ม>ไปตีเขาเขาก็อาจจะมาฆ่าเราเพราะนั้น<ม>เพื่อระ ง, งับความเสียหายที่อยากเกิดขึ้นตามมาทั้งกับเราและทั้งกับเขา<ม>วิธีที่ดีที่สุดก็คือ<ม>การให้อภัยกันอเวลาหุนตุ<ม>ถ้าให้อภัยกันได้ ก็สามารถรักษามิตรภาพความเป็นมิตรที่มีต่อกันได้อันนี้คืออเวลาหนนตุเป็นการให้ความเมตตาต่อสรษรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเราต้องรู้จักให้อภัยแล้วเราก็จะมีความเมตตาข้อที่สองของการมีความเมตตก็คือ อากปยาปชาโหดตุเราจะไม่เบียดเบียนกันคือเราจะไม่ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนจากการกระทําของเราเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องถึงคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นเช่นเราจะทํามาหากินเลี้ยงชีพเนี่เราก็ต้องไม่ไปทําอาชีพที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อน หรือหรือสัตว์เดกระฉานเสียหายเดือดร้อนเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปหาสัตว์มาฆ่ามาทำเป็นอาหารขายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็จะไม่ทำแบบนี้ทำอะไรต้องให้รอบคอบต้องมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถ้าเราทำแบบ ทำให้ผู้่เขาเสียหายเดือดร้อนก็เท่าก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเราต้องทาอาชีพสุดจริตอาชีพที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ไปเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของผู้มาเป็นสมบัติของเราเองเป็นต้นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาต อันน zeker, ama, ี้ก็คำคือคาว่าไม่เบียดเบียนกันเราทำอะไรเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้จะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่เช่นถ้าเราจะเปิดร้านอาหารร้านอาหารทะเลเอาเอาปูปลามาใส่ในในตู้ในบ่อแล้วก็ให้คนที่จะกินมาเลือกมา เอาว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็ตัดปลาหรือปูปลาเหล่านั้นขึ้นมาฆ่ามาแกงอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่เบียดเบียนกันถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี<ม>ว่าการมีความเมตตาในลักษณะที่สองไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ ก้ที่สามอนิคาหหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรอย่าเวลาเราโกรธก็อย่าไปทำลายร้ายทาร้ายร่างกายของผู้อื่นหรือทำให้เขามีกดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการกระทาของเราเรียกว่าอย่าไป ทำลายจิตใจและร่างกายของผู้ให้ยับยั้งระงับด้วยการใช้ความโหสิให้อภัยกันอย่าจองเวียนจองกรรมกันและข้อที่สี่ก็คือให้ความสุขต่อกันเราอยู่ร่วมกันทุกคนต้องการความสุขถ้าเราสามารถแบ่งปันความสุขของเราให้กับผู้ได้ เราก็ควรจะทำเพื่อเราจะได้มีมิตรมีคนที่รักเราชอบเราคนที่ให้ความสุขกับผู้นี้มักจะเป็นคนที่มีมีแต่คนรักคนชอบคนที่ให้ความทุกข์กับคนอื่นนี้มักจะเป็นคนที่มีแต่คนเกลียดชังคนไม่รักไม่ชอบถ้าเราอยากจะให้เป็นให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วทาให้คนอื่นเขา รักเราชอบเราเราก็ต้องมีการให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปแบบไหนก็ตามอาจจะมีความสุขในรูปแบบของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือสิ่งของอะไรต่างๆที่เรามีมากที่เรามีมากกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้ได้ที่เราจะเอาไว้ใช้ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ทาอะไร เอาไปแจกไปจา่ปจายให้กับคนที่เขาไม่มีก็ได้หรือเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของมาซื้อของกินอะไรมาก็กอาจจะซื้อมาเผื่อให้กับคนคนอื่นด้วยให้เขามีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าให้ความสุขกับผู้อื่นนี่คือคุณสมคุณลักษณะของการเจริญเมตตาให้ความ ให้มีเมตตาบารมีเกิดขึ้นในในใจของเราคนที่สะสมบารมีนี้เมตตาบารมีนี้จะได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันคือจะได้มีจะได้ความสุขจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับมีความสุขตลอดเวลา เวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครมาปองร้ายด้วยด้วยอาวุธหรือยาพิษไม่เพราะไม่มีใครเบียดชังไม่ได้ทำให้ใครเขาโกรธแค้นโกรธเกเลิงเกียดชังก็จะไม่มีใครมาปองร้ายแล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา ปกป้องรักษาแล้วถ้าไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบใจก็จะสงบได้ง่ายแล้วถ้าเวลาจะตายก็จะไม่หลงไหลไม่หลงจะตายอย่างสงบไม่ได้ตายแบบหลงเพ้อเจ้อไปแล้วก็ ตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคตินี่คือประโยชน์ของการมีความเมตตาอยู่ก็เป็นสุขตายก็ไปสู่สุคติอันนี้คือบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีมิตรมากมีเพื่อนมากมีคนที่รักคนที่ชอบเรา เราต้องอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเขาต้องให้รู้การรู้จักการให้อภัย<ม>ให้ความสุขแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นถ้าเรามีเหลือเฟือ<ม>นี่ก็คือเรื่องของบารมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือทานบารมี การบารมีก็คือการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากกว่าความจำเป็นที่เราจะต้องมีความจำเป็นของเราที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติก็คือมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราเนี่มีทรัพย์สมบัติไว้ซื้อปัจจัยสคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค พอเรามีปัจจัยสี่พอเพียงอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแล้วถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ mm hmm. เราก็เอามาแปลงเป็นทานบา ร, รมี mm hmm. เอามาทําบุญทําทาน mm hmm. มาแจากมาจ่ายให้กับผู้ผู้อื่น mm hmm. การทําทาน mm hmm. ทําบุญนี้ก็สามารถทําได้กับคนทุก ทุกระดับคนที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายนี่เราก็ทำบุญกับท่านได้ดูแลท่านยังดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือทานุบารุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายทาววรวัตถุรึกจตุปจัจจัยทธานานอาหารบิณฑบาตกีวอ เครื่องนุ่งห่ม เ, เสนาสนะคือปุติแล้วก็ยารักษาโรคเวลาที่พระภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็ช่วยกันส่งไปโรงพยาบาลช่วยกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานเป็นการสร้างทานบารรมี และไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้เฉพาะผู้ที่มีพระคุณกับเราหรือนมีประโยชน์เราสามารถทํากับผู้ต่อได้นอกจากพ่อแม่เรานอกจากปู่ย่าตายายครูบาอาจาร ย, ย, ย, ย, ย์เราก็สามารถทํากับโลกกับสังคมทั่วไปได้เช่นเราก็สามารถทําบุญกับโรงพยาบาลได้ถ้าเราอยากจะสนับสนุน เรื่องของการรักษาพยาบาลให้กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสนับสนุนโรงเรียนต่างๆทำบุญกับโรงเรียนก็ได้หรือทำบุญกับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเดือนร้นอนเช่นทำบุญกับสถานสงฆ์คนชะลาสถานสงฆ์คลองที่การการกระทาเหล่านี้ล้วนเป็นการทำบุญทําทานเหมือนกัน เป็นการสร้างทานบารมีให้เราสร้างรับไว้รอเราไว้ในภพหน้าชาติหน้าการทำบุญทาทานนี่แหละที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดร่ำรวยกั น, นมีรั์มากน้อยก็อยู่ที่การทำบุญทำทานของเราในภพนี้ชาตินี้เ ง, นงินทองที่เรามีอยู่ในภพนี้ชาตินี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแต่เราสามารถเอาทานบา ร, รมีนี้ติดไปกับใจของเราได้และทานบา ร, รมีนี่แหละที่จะพาให้เราได้ไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีที่ร่ำรวยก็อยู่กับว่าเราทำบุญทาทานมากน้อยเท่าไหร่ทำมากก็จะก็จะได้ไปเกิดในครอบครัวที่รวยมากเช่นพระเวชสันดร ท่านจะทำบุญทำทานอย่างเต็มที่ใครต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรใครขออะไรท่านก็จะให้ท่านไม่หวงในท ร, รัพย์สมบัติเก้าของเงินทองท่านเห็นคุณค่าข อ, าอนนงของการสร้างทานบารมีอานิสงส์ของการสร้างทานบารมีเวลาตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและหลังจากที่ลงมาจากสวรรค์ก็จะมาเกิดเป็น คนที่เกิดมาในครอบครัวของคนที่มีความมั่งมีร่ำรวยเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยพระเวชสันดรหลังจากตายไปก็ไปอยู่ในสวรรค์รับรับผลบุญในสวรรค์หลังจากนั้นก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน ม, มีความสุขสบายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรอ รอไว้โดยที่ไม่ต้องไปดิน้นรนไปหามาให้ยากเย็นก็เพราะว่าได้ทำทานมามากมายในอดีตชาตินั่นเองจึงทำให้มได้มาเกิดร่ดรวยอันนี้ก็สิ่งที่เราควรจะทำกันอย่าโหงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่ได้ใช้ที่เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เวลาที่เราตายไปเอามาแปลงเป็นทานบารมีดีกว่า ที่เราสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สุขคติมไม่ได้ไปอบาย<ม>อันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างทานบา ร, รมีที่ทำให้พวกเราที่มาเกิดในขณะนี้มีฐานะการเงินการทองต่างกันไปบางคนก็รวยบางคนก็จน บางคนก็ไม่รวยไม่จนอันนี้ก็เพราะว่าเราทำทานมาต่างกันทำทานมากน้อยต่างกันจึงทำให้ผลที่เกิดกับตัวเรามันต่างกันบารมีข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เราสร้างกันก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือการไม่เบียดเบียนกันไม่ไปทำร้าย ทรัพย์สินเข้าของเงินทองแรือชีวิตของผู้ด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นละเว้นจากการประพฤติผิดประเทียนีละเว้นจากการพูดปดและละเว้นจากการดื่มจรายาเมาและของมึนเมาต่างๆเพราะการดื่มุราญาเมาและของมึนเมาจะทำให้ขาดสติ ทีมจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะไปพูดไปทำร้ายผู้อื่นได้ถ้าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติก็จะสามารถยับยั้งไม่ได้เราะจะรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังไม่ดีกำลังจะพูดไม่ดีกำลังจะไปทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีถ้ามีสติก็สามารถยับยั้งได้คนที่ไม่เมานี้กิริยาการ การกระทำจะเรียบร้อยกับคนที่มึนเมาคนที่ดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมานี้ยวาจาก็จะไม่เรียบร้อยการกระทำอะไรต่างๆก็ไม่เรียบร้อยเหมือนกับตอนที่ไม่เมาคนคนเดียวกันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้ด้วยฤทธิ์ของการดื่มของมึนเมาเช่นสุรายาเมาต่างๆองนันนี้ต้องพยายามละเว้นอย่าไปดื่มของมึนเมาถ้าเราอยากจะรักษา าการประพฤติ ท, ที่ดีของเราไว้ก็คือการไม่กระทำบาปของเร า, เราถ้าเราเมาแล้วเราก็อาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีไปพูดปลดได้ง่ายบาคนที่ไม่มึนเมาเช่นสมัยนี้จะมีการชอบขับรถยนต์ไปไหนมาไหนและบางครั้งก็มักจะไปดื่มชุรายาเมากัน หลังจากดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมาแล้วก็ไปขับรถยนต์แล้วก็จะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมาทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองบางทีก็ต้องพิกลพิการไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออันก็ต้องถึงกับเสียชีวิตไปเพราะการไม่มีสติควบคุมการกระทำทางกายทางวาจา น, นั่นเอง คนที่อยากจะมีมีความเรียบร้อยมีความปลอดภัยจากการกระทำที่เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดในสภาพที่ไม่ดีคนที่ไม่มีศีลนีออ่คนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดดื่มของมุ่นเมานี้เวลาร่างกายตายไปนี้จิตใจจะต้องไปเกิดอยู่ในอบายเป็นที่ไปของผู้ที่กระทาบาป บายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์ในราฉาน<ม>์ที่ที่สองไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยนเรียกว่าเปรต<ม>ที่ที่สามก็เป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุลกาย<ม>แล้วที่ที่สี่ก็คือไปเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรกเน<ม>ี่ย เป็นผลที่เกิดจากการทําบาปด้วยสาเหตุต่างๆทําบาปด้วยความเพื่อการเลี้ยงชีพก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอจะอยู่พอสัตว์เดรัจฉานนี้เขาอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็อยากทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการกระทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือ ด, ด้วยการชอ่อโกงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้ หรือไปประพฤติผิดประเพณีโกหกหลอกลวงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพถ้าทำเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพทำบาปเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เลี้ยงชีพด้วยวิชาชีพที่สุดจลิตอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ต้องประพฤติผิดประเพณี ไม่ต้องโกโหกหลอกลวงเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตเราก็อยากทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆ ก, ก็ขยันทรมาหากินด้วยวิธีสุดจริตอยากไปโลภหาเงินหาทองให้ได้มากๆด้วยการไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไป หรอกลวงหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำบาปด้วยความโลภก็จะไม่ไปเป็นเปรตแล้วก็ถ้าไม่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไม่ไปเป็นสุสลกายถ้าไม่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเพราะเรารู้จักให้ให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันก็จะไม่ไปเกิดไปไม่จะไม่ไปตกนรกอันนี้ก็คือเรื่องของ ศีลบาลามีศีลบาลามีนี้จะทําให้เราตายไปไม่ต้องไปใช้กรรมใช้ชเวนอบายตายไปก็ถ้ามีได้ทําทานบาลมีด้วยก็จะไปสวรรค์แล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านอาการ32สองร่างกายก็จะมีอาการครบสาสบสอง มีสุขภาพที่ดีไม่มีโครคไขยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานอันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของการรักษาศีลอ น, นิสงค์ของการมีทานบา ร, รมีเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมั่งคั่งร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสอันนี้เป็นผลของการที่ได้สร้างทานบา ร, รมีและศีลบา ร, รมี และบรารมีข้อต่อไปก็คือนี่ขมภับา ร, บรามีคือการละการหาความสุขทางการทางด้านกามารมณ์ต่างๆคือไม่สแสวงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเพราะเป็นความสุขแบบอยากต้องการที่จะหาความสุขที่ละเอียดกว่าคือความสุขที่เกิดจากการ ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดผลตพะเพื่อทำใจให้สงบ<ม>เสบความสงบจากการละการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลตพะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนการหาความสุขความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะก็คือความสุขที่ได้จากความการการทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องเบื่องต้นก็ต้องละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลตะเพราตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ชอบไปบวชกันคนที่ชอบสร้างในคคัมมะบาลมีก็จะไปเป็นพวกนักบวชหรือถ้ายัางไม่ได้บวชก็มักจะไปอยู่วัดกันไปถือศีลแปดศีลสิบกันอย่างญาติโยงที่นุ่งขาวห่มขาวที่มาอยู่วัดนี้ก็เรียกว่ากาลังมาเจริญในคัมมะบา ร, รมี พอเวลามาอยู่วัดมาถือศีลแปะก็จะไม่แสวงหาความสุขจากการดูการฟังอะไรต่างๆเช่นเครื่องมอหลหศบมหรหศบบันเทิงต่างๆจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครก็ตามจะไม่หาความสุขด้วยการรับร่วมหลับนอนกันจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนตามความอยาก รับประทานอาหารตามความจำเป็นของร่างกายหรืารับประทานไม่เกินเสียงเที่ยงวันไปแล้วรับประทานแค่วันละมือ้อสองมื้อก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอันนี้เป็นการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผงพภะเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ้วยการฝึก ฝึกสติฝึกสมาธิกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอันนี้ก็คือเรียกว่าเนยขมมะบารมีสำหรับผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขความสุขที่อยากปุจจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพไปสู่ความสุขที่ละเอียดที่มีความมั่นคงถาวรยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากการเสดิรูปเสียงกลิ่นรส การเสพรูปเสียสงเกิดรสนี้เป็นความสุขชั่วคราวชั่วประเดียวประดาชั่วเทในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเช่นถ้าเราได้ดูได้ฟังอะไรที่เราชอบเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งพอหลังจากที่เราได้เสพได้สัม ผ, สผัสผ่านไปแล้วความสุขที่ได้นั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะต้องไปหาความสุขแบบนี้มาเสพ แล้วถ้าไม่สามารถไปหามาเสดได้ก็จะเกิดความหุ่นงิดเกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาเกิดความทุกข์ตามมาแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะถ้าเราทำได้แล้วทำเป็นแล้วเราจะสามารถทำได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เราต้องการที่จะทำให้ใจเราสงบเราก็เพียงแต่ใช้สติควบคุมความคิดอยู่ความคิด ให้จิตนิ่งสงบพอจิตนิ่งสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าที่แน่นอนกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพธะชนิด ต, ต่างๆที่บางครั้งเราก็อาจจะเสพได้บางครั้งเราก็อาจจะเสพไม่ได้เพราะการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันต้องมีปัจจัยหลายด้านในการที่พร้อมเพียง ปัจจัยทางด้านร่างกายก็ต้องพร้อมเพียงร่างกายก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการถ้าเกิดมีการโรคภัยไข้เจ็บพิกลพิการการที่จะหาความสุขจากรูกเสียงกยิรลดพทธภพก็จะเป็นการยากยิ่งขึ้นและอาจจะบางทีอาจจะไม่สามารถหามาได้แล้วนอกจากนั้นยังต้องมีปัจจัยอย่างอื่นเสริมด้วย เช่นต si? ้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีเงินทองอยากจะมีความสุขจากการดูมหรศศพบันเทิงต่างๆก็ต้องมีเงินไปไปซื้อมหัศลมหัลพบันเทิงมาดูมาฟังกันถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการดูการฟังได้หรือจากการกินการดื่มอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันต้องมีปัจจัยหลายหลายอย่างต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ มีปัจจัยเงินทองแล้วมีของที่เราอยากจะเสดให้เราได้เสดแล้วพอได้เสดก็ได้ความสุขแพ่ชุก・ประเดียวเดียวพอหลังจากเลิกเสดผ่านไปไม่นานความสุขที่ได้ก็จางหายไปหมดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความรู้สึกว่าขาดนู่นขาดนี่ขึ้นมาก็าจะต้องไปหาความหารูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระมาเสดอยู่เรื่อย แล้ถ้ามีอุปรสรรคไม่ถ้าภปัปจจัยไม่พร้อมงเงินทองไม่มีร่างกายสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง mm hmm. ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลดเสี่ยงกิดลดทลผละได้แต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีปัจจัยอะไรภายนอกมีแต่ปัจจัยภายในที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาก็คือการ <c oughs> ควบคุมความอยากของเรา ด้วยการห้ามไม่ให้ไปเสษ ร, รูปเสียงจิตลดด้วยการซื้อถือศีลแปดกันละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือไม่ ก, ก็ตามเ้วก็ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละวันละเว้นจากการไปหาความสุขจากมอระสบบันเทิงต่างๆ ล้วเว้นจากการหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งหน้าทาปากทาเข่าทําผมใส่เสื้อผ้าที่สวยที่สดงดงามต่างๆอันนี้เป็นความสุขทางกามอารมทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็แม้แต่การนอนก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปการนอนมากกว่าความจําเป็นของร่างกายก็ถือว่าเป็นการเสีการอารมณ์เสีความสุขจากการนุจากการได้ได้นอน อันนี้ก็ต้องนอนในสภาพที่ไม่สุขไม่สบายเกินไปหรือที่นอนไม่ควรจะเป็นที่นอนที่สุขที่สบายควรจะนอนที่นอนที่ไม่ไม่สุขไม่สบายคือนอนมันพื้นแข็งแข็งถ้าเป็นเตียงก็เป็นเตียงที่มีพื้นแข็งแข็งไม่มีเบาไม่มีนุ่มให้ให้ใ ห, ให้ให้นอนทับแล้วก็ไม่ฉะนั้นก็นอนกับพื้นปูปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อ เวลาร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนก็จะหลับก็จะหลับได้ไม่ว่าจะอยู่ในเตียงเตียงที่ที่สุขที่สบายหรือไม่ก็ตามเวลาร่างกายง่วงจริงๆมันหลับได้ทุกที่พอหลังจากที่ล่างกายตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาของการที่เราจะเอาเวลานี้ไปสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสงบนี้เกิดขึ้นได้นอกจากการถือในคขมะบารมีแล้วก็ยังต้องสร้างอุเบกขาบารมีขึ้นมาคือทำใจให้นิ่งสงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา <c oughs> การจะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดอุเบกขาบารมีให้เกิดความใจที่นิ่งเฉยปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงก็ต้องมีเวลาในการเจริญสติ ขอยควบคุมความคิดหยุดความคิดทั้งวันทั้งคืนนั่งแต่แตื่นขึ้นมาจนหลับขอยควบคุมความคิดปุงแต่งต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอยให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวที่ไม่ได้ทำให้ใจวุ่นวายเช่นใช้ให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธไปพอลืมตาขึ้นมาเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วในขณะที่เราทาภารกิจต่างๆ ที่ไม่จำเป็น่ะต้องใช้ความคิดเช็ดหนาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็พูดโธพูดโธไปคอยห้ามคอยคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าส่งใจไปอดีตอย่าไปคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในอดีตหรือ <hart> อย่าส่งใจไปในอนาคตอย่าเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นมาให้คิดอยู่กับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้รู้อยู่กับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากาลังทาอยู่กำลังเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้รู้อยู่ในอริยาบทเหล่านี้ไม่ให้ไปที่อื่นอันนี้เป็นการฝึกสติเป็นการ จ, ะ จ, ะจะเจริญสติการที่จะฝึกสติแบบนี้ได้ทั้งวันทั้งเกินนี้จำเป็นจะต้องมีเวลาว่างจากการไปทำงานทำการต่างๆ ถ้าเราต้องไปทำงานทำการนี้เรามันจะไม่สามารถฝึกสติแบบนี้คือให้รู้เฉยๆได้เพราะเวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดคิดเรื่องงานเรื่องการต่างๆโดยเวลาที่เราพบปะกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะต้องใช้ความคิดเพื่อพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันการที่จะมาเจริญสติเพื่อให้รู้เฉยๆโดยที่ไม่คิดอะไรนี้ก็เป็นไปได้ยากจะต้องมีเวลาว่างเช่น วันที่ไม่ต้องไปทำงานวันหยุดทำงานถ้าเราชอบจะหาอยากจะหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็ต้องหาเวลาว่าจากการทำงานทำการแล้วก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ต้องไปอยู่ตามวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดปฏิบัตินี้เขาจะมีสถานที่ให้เราอยู่ตามลาพังของเรา ไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นให้เราคอยควบคุมความคิดคอยเจริญสติดยการมีพุทโธเป็นอารมณ์คอยควบคุมไว้หรือให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้รู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเพราะถ้าคิดแล้วใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบใจก็จะฟุ้งซ่านได้ ถ้าสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งเฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้สองอย่างพร้อมกันก็ได้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าอยากจะใช้สองอย่างควบคู่กันก็ได้เหมือนกันเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ หรือดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องว่าพุโทโธก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปดูลมหายใจก็ได้เราสามารถเลือกเอาแบบไหนที่เหมาะกับเราถูกกับเราก็ได้ก็หมายก็คือไม่ให้ใจเราไปคิดกับเรื่องราวต่างๆให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรือรู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียว ถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดอะไรได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบก็จะก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแต่เป็นความสุขชั่วคราวะขณะที่ใจสงบใจก็จะมีอุเบกขาคือมีความนิ่งเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจจะไม่ให้จะไม่ทําให้ใจหวุนว่นวายจะไม่ทําให้ใจวุ่นไวายได้เวลามีเสียงกระทบเช่นเสียงที่ที่ไม่ดีคือเสียงที่ตําหนิติเตียนนินทาเจิตใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะรู้สึกเฉยๆสัมผันธ์อะไรก็ตามรับรู้เรื่องอะไรก็ตามใจจะไม่มีอารมณ์ตอบโต้ อันนี้แหละคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีโอเบขาขึ้นมามถ้าใจมีโอเบคาแล้วนี้ใจก็จะสามารถที่จะต้านกิเลสตัณหาต่างๆตัวที่จะมาสร้างให้ใจต้องไปวุ่นวายไปไปหาสิ่งต่างๆมาเสร ม, มาให้ความสุขกับตนเพราะว่ามีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคือความนิ่งสงบนี่เอง เพียงแต่ว่าความนิ่งสงบที่ได้จากการเจริญโเบคาด้วยสตินี้ยังเป็นการเจริญได้ความสุขแบบชั่วคราวเพราะเวลาที่ออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่เอาสติคอยมาควบคุมไว้เดี๋ยวก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาได้ เมื่อเกิดความอยากใจก็จะรูมร้อนขึ้นมาใจก็จะเริ่มมีอาการไม่สุขไม่สบายใจจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาความไม่สุขไม่สบายใจถึงจะหายไปชั่วคราวแต่พอได้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกอยู่นี้เรื่อย<ม>ถ้าเราต้องการที่จะให้ใจเราสงบนิ่งเย็นสบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้ว เ, เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศดจัเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสุขชั่วคราวเทอาเพราะว่ามันไม่ถาวรมันไม่ยั่งยืนได้มาเวลาได้เสกก็มีความสุข เวลาไม่ได้เสพความสุขนั่นก็จะหายไปพอความสุขนั้นหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นก็คือถ้ามีปัญญาเราจะต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับลางนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวมันไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีดับไป พอสิ่งที่เราได้ให้ความสุขกับเรามันหายไปหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำไมคนเราถึงต้องร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าเราสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปนั่นเอง <c oughs> เวลาคนที่เรารักจากเราไปหรือเวลาของที่เรารักหมดจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าทาให้เราทุกข์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้สิ่งเหล่านี้ไม่จากเราไปได้ ไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันก็จะต้องมีการพัดภาคจากเราไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเรียกว่าอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่อยู่การควบคุมบังคับของเราได้อะไรมาแล้วจะสั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลานี้ย่อมเป็นไปไม่ได้วันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นจิตลงพอถึงเวลาที่สิ้นสุดของความสุขความเศร้าโศกเสียใจก็คือความทุกข์ก็จะตามเข้ามาทันทีนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้มองให้เห็นว่าอย่าไปลหลงไหลกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทําทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปอย่าไปมี สิ่งเหล่านี้ดีกว่าให้เราอยู่กับการไม่มีอะไรจะดีกว่าด้วยการระ ง, งับความอยากเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายก็จะหายวุ่นวายใจที่รู้สึกขาดนู่นขาดนี่ก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีความหิวความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรารู้รู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่ เราอยุดความอยากได้ปั๊บนี่ความรู้สึกว่าเราขาดนู้นขาดนี่ก็หายไปเราจะรู้สึกว่าเรามีความอิ่มมีความพออยู่ในใจของเราตลอดเวลาอันนี้คือการใช้ปัญญาบารลีสร้างปัญญาขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่จะรักษาทําให้ใจของเรานี้ <c oughs> ไม่หิวไม่โหยกับความอยากความโลภต่างๆเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระาหลานตัสาวกนี้ท่านไม่มีความอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่ที่ที่อยากได้นะเห็นด้วยว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความหิวเกิดความไม่ไม่อิ่มไม่พอขึ้นมาพอตัดความอยากได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้เป็นทุกข์เป็นของชั่วคราวมันก็เลยทําให้ ไม่มีความอยากพอใจไม่มีความอยากใจก็จะสงบนิ่งอพอสงบนิ่งก็จะมีความสุขความอิ่มปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งใดๆในโลกนี้คนที่จะปฏิบัติรักษาจิตใจนี้ให้ขึ้นไปสู่ระดับของพระพุทธเจ้าและระดับพระลานตสาโลกได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างบา ร, รมีต่างๆสร้างฐาน สร้างเมตตาบามีสร้างทานบามีสร้างศีลบารมีสร้างนี่คัมภีบามีสร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีด้วยการใช้อธิษฐานคือความตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าชาตินี้จะต้องการไปหาสู่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าของพระอรจารตสาวกเราจะต้องมีการมา ใช้ชีวิตของเรานี้ให้กับการสร้างบาราีต่างๆเก <c oughs> ิดเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นพระอาหารหันต์กันเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆเราต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมีอธิษฐานมีจุดหมายปลายทางของชีวิตว่าเราจะไปที่ไหนเมื่อเรามีอธิษฐานแล้วเราก็จะได้มีสัจจะ คือมีความแน่วหน้าต่อความตั้งใจว่าชาตินี้เราจะไม่มาทำอะไรเราจะมาสร้างแต่บารมีต่างๆแล้วถ้าเราพอเรามีสัจจะมีอธิฐานแล้วเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญบารมีต่างๆเวลามีความอุปสรรคที่คอยขวางกัน้นก็จะใช้ความอดทนไม่ย่อท้อพยายามทำไปเรื่อยๆทำได้มากทำได้น้อยก็ทาไปไม่ยอ่อหย่อน ถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปให้อุปสรรคต่างๆที่เคยขวางกันก็จะค่อยๆหายไปหมดไปแล้วบารมีต่างๆที่เราต้องการจะสร้างก็เราก็จะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างเต็มที่พอเรามีบารมีอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะสามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงจุดสูงสุดของชีวิตของจิตใจของเราได้ก็คือการไปสู่พระนิพพา น, านสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด พอเราสามารถที่จะใช้บา ร, รมีต่างๆเหล่านี้มากําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดลากให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่อยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานพอเราได้สร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมีพลังมีกำลังที่จะสู้กับความอยากที่จะหยุดกับความอยากต่างๆได้หยุดกับความหลงที่มาหลอกให้เราไปหาหาความหาความทุกข์จากสิ่งต่างๆ ที่ไปคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของการมาสร้างบารมีแล้วถ้าเกิดพบน้ชาตินี้เรายังไปไม่ถึงจุดสูงสุดบารมีเหล่านี้ก็จะติดไปกับเราพบหน้าชาติหน้าเราไปเกิดที่ไหนเราก็จะมาบำเพ็ญมาสร้างบารมีเหล่านี้ต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ได้ส่งสร้างบารมีต่า ง, างๆมาเป็นเวลาหลายภพหลายชาติด้วยกัน จนในที่สุดก็มาสามารถมาสร้างบารมีได้ครบได้สําเร็จในชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เกิดจากการบาเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี่คือเรื่องราวที่พวกเราควรที่จะนามาพิจารณากันเพราะว่า สิ่งที่เราจะได้จากบารมี1ิบนี้เป็นเป็นทรัพย์เป็นสมบัติที่แท้จริง ท, ที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราอ ย, อยู่คู่กับใจเราไปตลอดเป็นการกาจัดความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังประเชิญกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถทสร้างบารมีทั้ง10ได้ครบบริบูรณ์นะครับต่อไปเราจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเพราะเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองเราก็จะพบกับความสุขของพระนิพพาน ที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของบุญบารมีต่างๆที่นำามามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปูราปาริกปเรนติสาครัง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 มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคาถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะต่อนมีอยากจะถามอะไรถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าม า, านี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมรชการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนันกุฏิ่านทาง เฟซบุ๊ก424ท่าน y o ย t u b บ332ท่านทานดรว h ชาแน l 50ท่านครับเฮา3ท่านวิดีโอออนไลน์9ท่านผู้รับฟังหน้ากุติทั้งหมด265ท่านรวมเป็นทั้งหมด 1,083 ท่านเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามมีของเมื่อวานได้เจ้าค่ะ คำถามแรกขอโอกาสกาบเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะวิธีตรวจสอบใจเราว่าข้ามความรักความใคร่เชิงห ญ, ญิงชายใช้อะไรเป็นตัววัดคะขอโอกาสกาบเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะวิธีตรวจสอบใจเรา ว, ว่า <ours> ข้ามความรักความใคร่เชิงหญิงชายใช้อะไรเป็นตัววัดคะ ข้ามค่ะมันอาจจะข้ามผ่านเรื่องพวกนี้ต้องใช้อะไรวัดเนี่ยค่ะก็ผ่านก็คือเราก็หยุดความอยากเหล่านี้ได้อยากจะเสพกามเราก็หยุดได้ก็ข้ามได้ถ้ายังอยากอยู่ก็ยังข้ามไม่ได้ใช่ค่ะคนถามต่อไปกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะหนูฟังประวัติ ครูบาอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์เขียนถึงการผ่านธรรมว่าภาวนาจนจิตสงบนิมิตเห็นร่างกายเป็นซากศพแล้วกำหนดไฟเผาไม่เหลืออะไรสุดท้ายกลายเป็นดินก็เข้าใจว่าร่างกายไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราก็ละสักกายทิธฐิแต่หนูสงสัยว่าละได้จากนิมิตก็ยังไม่ใช่ของจริงเท่ากับ ปล่อยวางจากเหตุการณ์จริงไม่ทราบว่าหนูเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องหรือผิดเจ้าค่ะก็ต้องไปพิสูจน์ดูเราก็ต้องเอาร่างกายของเราที่เราคิดว่าเราปล่อยได้แล้วให้ไปอยู่กับเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายดูแลดูซิว่าใจเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าเรายังกลัวยังตกใจยังหวาดกลัวอยู่ ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังปล่อยไม่ได้เช่นถ้าเราเกิดไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายเหลือแค่หกเดือนอดูสิว่าเราเฉยหรือไม่เฉยถ้าใจเราไม่ไม่เดือดร้อนะรู้ว่ามันจะต้องกลายเป็นดินแนละ้วก็ปล่อยมันไปไม่ตื่เต้นตกใจเราไม่ได้เป็นร่างกายอย่างนี้ก็ใช้ได้ต้องมีเหตุการณ์ที่มาพิสูจน์หรือมีข้อสอบให้เราทํำดู สิ่ที่เราเห็นในการภาวนาเนี้ยังอาจจะเป็นเพลงแต่เป็นการขั้นทําการบ้านอยงนี้ยังไปทําข้อสอบจริงคําถามต่อไปหมอบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมขอคําแนะนําในการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไรได้ผลที่สุดคะมันไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินเลยที่ท่านั่งหรอที่จะได้ผล ตัวที่ย้ายผลจากการปฏิบัติก็คือสติขอให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้คิดเลือเล่อยป่วยให้ได้เราจะอยู่ในท่าไหนเราก็สามารถทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณภาคเหนือภาคอีสานหลวงปู่ครับวิธีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติมีลักษณะอย่างไรครับ การหลุดพ้นให้เป็นพระ อ, อรหันต์ก็ต้องใช้ปัญญาแต่การจะใช้ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีเครื่องมือสนับสนุนก็คือต้องมีสมาธิต้องต้องจิตรวมเป็นสมาธิก่อนมีอเบคาก่อนถึงจะมีกำลังที่จะไปใช้ปัญญาเพื่อบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์ได้ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกำลังสู้กับกิเลสได้ก็ยังจะบรรลุไม่ได้ อยางพวกเราตอนนี้เราก็มีปัญญากันรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีอุบเบกขาไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราไปทําสมาธิจนกระทั่งเรามีอุบเบกขาหยุดความอยากได้เวลาเจอความอยากขึ้นมาเช่นเป็นมะเร็งอยากให้หายอยากไม่ตายนี้ก็จะหยุดความอยาก่ได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายก็จะไม่เกิดอันนี้ต้องใช้ทั้งสมาธิทั้งปัญญาถึงจะสามารถอุดพ้นได้จากความทุกข์ต่งตางๆเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณจตุพรกราบนมัสการกราบเทียนถามพระอาจารย์ว่าเดินจงกรมหากพุทโธพุทโธในใจรู้สึกไม่ชัดจะพูดออกมาดังๆแทนได้ไหมเจ้าค่ะและ สติควรจับที่คำว่าพุโทโธพุธโทโธหรือมาจับที่การเคลื่อนไหวของเท้าที่ย่างก้าวเจ้าขาเดินจบลงแล้วบริกรรมพุโทโธแล้วฟังไม่ชันอยากจะใช้เสียงถ้าไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาก็ได้นเดินไปแล้วก็พึมพรพึมพำไปในใจพุโทโธพุธโทโธไปไปในใจก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาดูเท้าก็ได้ ถ้าพุทโธไม่ชัดดูที่เท้าเราก็ได้ว่าเรากำลังก้าวเท้าอยู่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้คําถามจากคุณนิ่มเพนภาการเล่นหุ้นถือว่าเป็นอบายามุกหมาคะกราบสาธพาาุพระอาจารย์ค่ะก็จะเล่นแบบไหนเล่นแบบเสี่ยงโชคลเล่นแบบปัญญาใช้ปัญญาถ้าเล่นแบบปัญญาก็เป็นการลงทุนธรรหากิน ก็เลือกคุณว่าตัวไหนมันทำำาํากําไรตัวไหนทําให้เราขาดทุนเราก็อย่าไปอย่าถ้าไปเล่นตามตามความรู้สึกนึกคิด ซ, ซื้อเช้าขายเย็นอย่างนี้มันก็เป็นการเล่นแบบตามอารมณ์ตามความเสีย่ยก็แล้วแต่เราเล่นหุ้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นเนการทํามาหากินแบบหนึ่งนั้เองเพียงแต่ว่าเราต้องฉลาดอย่าเล่นแล้วขาดทุนก็แล้วกันถ้าเล่นแบบไหนแล้วกําไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นเนะี่ย ลแลลคำถามจากย t u b e ซะค่ะการครองเรือนแบบอยู่ร่วมกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันไม่เสร็จการเราทั้งคู่เป็นปฏิบัติธรรมทั้งคู่แบบนี้ได้ไหมคะส่งผลให้การปฏิบัติเก้าหน้าไหมคะ ก, ก็อยู่ด้วยกันได้ทุกคนเราก็อยู่เราก็ธรรมดาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเกิดมาเราก็อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้อง จะอยู่กันแบบพี่แบบน้องก็ได้อยู่กันเป็นแบบเพื่อนก็ได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อบังคับว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องมีสัมพันธ์อะไรกันแล้วแต่เราคำถามจากผู้ฝากถามการกำหนดบริกรรมพุทโธศรัทธาในคำนี้ค่ะพอเจออาจารย์ให้คำบริกรรมอื่นเช่นโทรคาเดียวเราควรบริกรรมตามเดิมหรือเปลี่ยนตามอาจารย์คะ ลองเปิดตัวนี้ให้มันดังหน่อยเนี่ยถ้เสียงกล้องของตัวนี้ไม่ค่อยได้ยินนะ เ, เราพูดใหม่เลยทางการกำหนดบริกรรมพุทโธศรัทธาในคำนี้ค่ะพอเจออาจารย์ให้คำบริกรรมคำอื่นเช่นโทรคำเดียวเราควรบริกรรมตามเดิมหรือเปลี่ยนตามอาจารย์ดีคะก็อยู่ที่เราว่าเราใช้ตัวไหนแล้วมันได้ประโยชน์ได้ผลล้วก็ใช้ตัวนั้นไป คำถามจากยูทูบเจ้าค่ะหนูโดนแม่กับพี่ชายทิ้งไปตอนอายุ23่สาเขาว่าเงินจำนวนหนึ่งของหนูไปประมาณ30ล้านจนตอนนี้หนูอายุ45แล้วเข า, วายังไม่คืนและไม่คุยดีกับหนูเลยหนูควรทำอย่างไรคะ bay, ก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันแล้วใช้นี่เออก่าไปค่อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่ออกมาง่ายๆเละ คำถามต่อไปจาก Facebook ช่วนที่นั่งสมาธิเกิดร่างกายใหญ่โตและหนักมากทนนั่งดูต่อจนไม่มีร่างกายและไม่มีตัวตนแล้วให้ดูเฉยๆต่อไปใช่ไหมเจ้าคะเมื่อก่อนเกิดบ่อยๆตั้งแต่เด็กๆและจะกลัวมากและจะรีบออกจากสมาธิเลยแต่เมื่อเช้าทนดูจนไม่มีร่างกายแล้วเจ้าคะ่ะถูกต้องไหมเจ้าคะ คือถ้าเรานั่งแบบไม่มีสติมันก็อาจจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ต้องนั่งแบบมีสติคอยคำกลับใจต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้านั่งแบบนี้แล้วจะไม่ค่อยมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้กันแต่ถ้าเรานั่งแล้ว เ, เราหยุดพุดโทโธแล้วหยุดดูลมหายใจเยอะอาการต่งางๆแปลกๆก็จะโผล่ขึ้นมาได้นนเน้นผลของการที่เราไม่มีสติคบคุมใจ ใจมันก็เลยคิดปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาให้มาหลอกเราฉั้นให้รีบกลับมาหาพุโทโธพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้โลมก็กลับมาดูลมต่ออย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคําถามจากหน้าคุติเจ้าค่ะทําบุญวันพระใหญ่วันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหะบูชา ได้บุญมากกว่าวันอื่นๆหรอคะเห็นคนแย่งกันมาทําบุญมากๆเฉพาะวันพระใหญ่เจ้าค่ะอ๋อไม่ได้บุญมากกว่ากันรนะเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่เราเห็นความสําคัญของวันเหล่านี้เราก็เลยมาร่วมทําบุญกันแต่บุญจะมากบุญจะน้อยนี่อยู่ที่จํานวนที่เราทําไปถ้าเราทำร้อยบาทไม่ว่าวันไหนมันก็ได้ร้อยบาทเท่านั้นถ้าเราทํำพันบาทเราก็จะได้พันบาท ม, ม, มันไม่ได้อยู่ที่วันว่าเราทําวันไหนจึงจะได้บุญมากบุญน้อยหรือที่ปริมาณของการทําบุญของเราว่าเราเราเสียสละมากน้อยทั้งนั้นที่จะมีความแตกต่างกันเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะพอดีมันเป็นคยๆว่าเป็นวันสําคัญนะทุกคนก็คิดว่าอานานจะได้เข้าวัดสักทีก็เลยเข้าในวันสําคัญกันเห็นบางทีก็เป็นวันเกิดบ้าง หรือเป็นวันปีใหม่บ้างวันครบรอบอะไรต่างๆอันนี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราได้ทําบุญกันเพราะปะกติชีวิตเราก็จะค่อยจะวุ่นวายกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็เลย ไ, ไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีเวลาพอมีวันสําคัญเราก็เลยอะวันนี้เราต้องมาทําอะไรเป็นพิเศษหนะ่อยก็เลยมาทําบุญกันท่า น, นั้นเอไม่ได้มาเป็นเพราะว่าจะได้บุญมากกว่ากันยังนไง คุณมากคุณน้อยอยู่ที่เท่าเราทำทำมากทาน้อยทาน้อยก็ได้น้อยเหมือนกินข้าวกินจานเดียวก็ได้แค่ความอิ่มแค่จานเดียวกินสามจานมันก็ได้อิ่มสามจานไม่ว่าจะกินวันไหนก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ปริมาณของการรับประทานยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้ามีเข้ามาได้เลย ไม่ก็พ้นไปสอบถามหลวงพ่อเจ้าค่ะกิเลสของคนเราแต่ละคนที่เราต้องละมีเท่ากันไหมเจ้าคะอ๋อไม่เท่ากันหรอือบางคนมีมากบางคนมีน้อยถ้าเจ้าค่ะถ้าเกิดว่ากิเลส ถ, ถูกถอดถอนออกเอ่อ ด้วยปัญญาหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเราจะแล้วเราจะรู้สึกเบาลงแล้วกิเลสนั้นก็จะดับไปไหมคะตอนหนึ่งครั้งคือถ้าเราหยุดกิเลด้วยสติมันก็จะไม่หายไปมันหายไปชั่วคราวเหมือนกินยาสลบฉิดยาสลบแต่พอยาฤทธิยาหมดที่ก็คนก็จะฟื้นขึ้นมาหม่กิเลสก็เหมือนกันถ้าเราใช้สติหยุด เช่นมาเราอยากจะไปเที่ย ว, วเราใช้พุโทโธพุธโทโธไปพอเราหยุดคิดถึงเรื่องไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวก็หายไปเชั่คกาวแต่พอเรากลับมาคิดเดี๋ยวคิดเรื่องไปเที่ยวอีกก็อยากจะไปเที่ยวไปแต่ถ้าเราอยากจะเลิกเที่ยวต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าการไปเที่ยวนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเพราะว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปก็หมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์ถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่อยากไปเที่ยวอีกต่อไปอยู่บ้านดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าหนูไม่แน่หนูไม่แน่ใจว่าการถอนกิเลสคือถอนออกไปจากดวงจิต หรือเปล่าอย่างเงี้ยจะพักก็นั่นแหนก็ถอนด้วยปัญญาพอเห็นว่ากิเลสาม โ, โลกอยากได้นู่นอยากได้นี่จะทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ทาให้เราสุขพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากจะไปทําอีกต่อไป<ช>ไมอยากจะได้อะไรอีต่อไป<ช>ได้มาแล้วก็ทุกข์เห็นตอนนี้คนอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยคุณก็ไม่มีความทุกข์กับคนที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอไปมีสามีขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับสามีนะ ถ้าพอมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกอยู่นะถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีเจ้าค่ะอธิบายไหมค่ะคุณ้าค่ะแต่ถ้ายังเห็นว่ามีสามีแล้วมีความสุขมันก็จะไปมีสามีจนได้แล้วพอมีสามีแล้วก็ถ้ามีลูกจะมีความสุขมากขึ้นอีกก็จะไปมีลูกขึ้นมาอีกพอพอมีแล้วเป็นยังไงสุขกับทุกข์กันน่ะสุขก็มีเหมือนกันแต่มันทุกข์มันจะมากกว่าสุขเลยที นั่นแหะคือปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดไปพอมันหายไปหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์ขึ้นดวงจิตของเรานี่อยู่ในร่างกายแก้วหรือว่าหนูเห็นไปด้วยสมาธิหรอคะออดวงจิตของเราอยู่อยู่กับคนลที่กับร่างกายเหมือนโทรศัพท์สองเครื่อง ดวงจิตก็ตเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึงร่างกายก็เป็นโทรศัพท์เป็นเครื่องหนึ่งเราการใช้การติดต่อโทรศัพท์ด้วยใช้สัญญาณวิทยุใช่ไหมสัญญาณโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อจิตใจกับร่างกายก็ใช้สัญญาณของวิญญาณเรียกว่าวิญญาณในแขนห้านี่วิญญาณเป็นตัวมาเชื่อมอจากจากจิตมาสู่ที่ร่างกายที่เมาตาหจูจะหมุนร่างกายแล้วก็ใช้การสื่อสารผ่านผ่า น, นวิญญาณนี้ มันจะอยู่ที่เดียวกันจิตอยู่ในโลกทิพร่างกายอยู่ในโลกกระธาตถ้าเกิดโลกนี้ระเบิดมีระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ร่างกายทุกคนตายไปหมดแต่จิตของทุกคนก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะจิตอยู่อีกโลกเหมือนอยู่บนดวงดวงจันทร์อย่างนี้ถ้าโลกนี้เกิดระเบิดแต่เราอยู่บนดวงจันทร์เราก็ไม่ได้ระเบิดไปกับโลกนี้ไม่ได้ตายกับโลกนี้ค่ะ <Okay. S 1> จิตไม่มีวันตายไม่ต้องกลัว กับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะหลางพ่อเจ้าคะ่ะถ้าถ้ากำจัดกิเลส ด, ด้วยสติแล้วมันก็ยังกลับมาแต่ว่าเป็นส่วนของหนูหนูใช้ความอดทนเจ้าคะ่ะมันลักษณะเดียวกันกันกบสติไหมเจ้าค่ะลักษณะเดียวกันนะอดทนก็เกจากการมีสติถึงจะอดทนไนดะ้ ต้องเห็นปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามีพี่แก้ว้วทุกข์ไม่มีดีกว่า <c oughs> อยู่คนเดียวดีกว่า <c oughs> ขอบคุณครับไม่มีคำถามจะหาไม่มีคำถามาก็หมดเวลาพอดีก็ <c oughs> ขอให้ท่านรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟงังไปพยยิ จ, จารณาไปปฏิบัติ